พระพุทธศาสนาที่พวกเรากราบไหวบูชาให้ความเคารพนับถือเกิดขึ้นมาจากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าเกิดจากการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้า เกิดจากการศึกษาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาก็ไม่ได้เป็นพระ<ม>เกิดมาก็เป็นคารวาสญาตโยมเหมือนกับพวกเราแต่เนื่องจากทรงเห็นความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตาย จึงมีความปรารถนาที่จะหลุดออกจากความทุกข์เหล่านี้จึงออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับคุูบาาจารย์วิธีที่จะทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ ของการเกิดแก่เจ็บตายหลังจากที่ได้ศึกษาได้ปฏิบัติก็สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ในระดับชั่วคราวคือในระดับสมาธิแต่ไม่มีใครรู้จักวิธีที่จะกำจัด ความทุกขได้อย่างถาวลพระองค์เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยพระองค์เองจนในที่สุดก็ส่งค้นพบวิธีที่ดับทุกข์อย่างถาวนคือทรงค้นพบสัจธรรมความจริงที่เป็นปัญญาที่เป็นความรู้ ที่จะดับความทุกข์ต่างๆได้หมดสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบก็คือพระอริยสัจสี่ทรงค้นพบว่าทุกนี้เกิดจากความอยากต่างๆถ้าต้องการที่จะดับความทุกข์ก็ต้องปฏิบัติ ศีลสมาธิปัญญาพอพระองค์ทรงได้ค้นพบศีลสมาธิปัญญาพระองค์ก็สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปได้ได้ตัดสั้เป็นพระ อรหันตส์สามมาสามพุทธเจ้าขึ้นมา <Yeah. S 1> หลังจากที่พระองค์ได้ส่งหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วพระองค์ก็ทรงนําเอาความรู้อันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตาย พอได้ยินได้ฟังพระธรรมอันประเสริฐจากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็ได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันบรรลุเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาพอได้เป็นพระอาหารหันตาสาวกแล้วก็มีความสามารถที่จะเอาความรู้ แห่งการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปจึงมีการเผยแผ่พระธรรมคำสอนไปอย่างกว้างขวางและมีการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือที่มาที่ไป ของพระพุทธศาสนาความสำคัญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ที่มีอยู่ในใจพอหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วก็มีความสามารถที่จะเอาความรู้นี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราหัวใจของพระพุทธศาสนาหรือแก่นของพระพุทธศาสนา อยู่ที่การศึกษาธรรมอยู่ที่การปฏิบัติธรรมอยู่ที่การบรรลุธรรมและอยู่ที่การเวยแผ่ธรรมอันนี้เป็นแก่นเป็นเนื้อของศาสนาส่วนองค์ประกอบอื่นๆของศาสนาเป็นส่วนประกอบที่ไม่สำคัญมีก็ได้ไม่มีก็ได้ เชน่นถาวรวัตุต่างๆกุติสาลาโบดเจดีเหล่านี้เป็นส่วนประกอบที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญทรงปฏิบัติทรงบรรลุ ธ, ธรรมและทรงเผยแผ่ธรรม ก็ไม่มีถาวรและวัตถุต่างๆเหล่านี้พระที่ศึกษาพระที่ปฏิบัติธรรมพระที่บรรลุธรรมท่านก็อยู่กันตามมีตามเกิดไม่ได้มีถาวรลวัตถุต่างๆที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็อยู่กันในป่าในเขานี่เองอยู่ตามโคนไม้ เอาเกิ่งไม้ใบไม้มาทำเป็นเพลิงพอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ได้บางท่านก็ไปอยู่ตามเงื้อผาบางท่านก็ไปอยู่ตามถ้ำบางท่านก็ไปอยู่ตามเรือนร้างนี่คือสภาพของที่อยู่อาศัยของพระในยุคสมัยพุทธกาล ท่านไม่ได้ให้ความสําคัญต่อที่อยู่อาศัยมากนะักพอใช้เป็นที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอประการสําคัญทีจ่จะต้องเป็นที่สงบสงัดวิเวกห่างไกลจากบุคคลต่างๆห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นโลดโผดทปะชนิดต่างๆ เพราะธรรมที่จะปรากฏขึ้นมานี้จำเป็นจะต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกแล้วก็จะทำให้จิตวิเวก ท, ทำให้จิตสงบสงัดวิเวกทำไมถึงต้องมีจิตที่สงบสงัดวิเวก เพราะจิตที่สงบนี่แหละเป็นจิตที่ดับความทุกข์ต่างๆได้ถ้าจิตไม่สงบจิตที่ถูกความโลภความโกรธความหลงครอบงำอยู่จิตที่ถูกความอยากครอบงำอยู่จะผลิตแต่ความทุกข์ขึ้นมานั่นเองไม่ได้ดับความทุกข์ดังนั้นที่อยู่อาศัยของ ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงเป็นที่ที่สงบสงัดวิเวกไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่อยู่แบบหรู้ราไม่ต้องมีท้าววัตถุเพราะการบำเพ็ญบางทีก็ต้องมีการเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ พอบางครั้งเวลาอยู่ที่สถานที่เดิมไปนานๆเกิดความเคยชินก็เกิดความเกลียดการขึ้นมาได้ไม่มีอะไรมากระตุ้นให้เร่งความเพียรจึงมีการย้ายสถานที่ไปพอเวลาไปอยู่ในสถานที่ใหม่ในสถานที่แปลก จะต้องมีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นสติสตังจะมีมากขึ้นปัญญาจะเกิดมากขึ้นเพราะต้องใช้การพิจารณาดูแลว่าสถานที่นะั้นเป็นอย่างไรปลอดภัยหรือไม่ควรจะต้องปฏิบัติอย่างไรพระสมัยก่อนจึงเป็นพระทุดมกันเป็นส่วนใหญ่ อันจะไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางจะโยกย้ายไปตามสถานที่ต่างๆที่กระตุ้นการเจริญในทางปฏิบัติถ้าอยู่ที่ไหนนานๆแล้วรู้สึกว่าไม่เจริญก้าวหน้าก็จะต้องค้นหาสถานที่ใหม่เปลี่ยนสถานที่ใหม่หาสถานที่มัน ท้าทายต่อความเป็นความตายมากขึ้นเพราะความเป็นความตายนี้จะเป็นตัวที่จะมาคอยกระตุ้นให้เกิดปัญญาขึ้นมาเพราะเวลาที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อความเป็นความตายจะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ถ้าต้องการให้ความทุกข์ใจนั้นดับไปก็จําเป็นที่จะต้องสร้างปัญญาขึ้นมาสร้างมัคขึ้นมาสร้างเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์อันนี้เมื่อถูกบังคับให้สร้างก็ผู้ปฏิบัติก็จะต้องคิดค้นสร้างปัญญาขึ้นมาก็จะิจชรนา ดูสภาพความเป็นจริงของชีวิตของร่างกายก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงหนอะงานนั้นที่จ้างมันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่มีใครอยากให้ร่างกายตายพอเจอกับเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อความเป็นความตายใจก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะว่าไม่อยากตายทุกข์เพราะว่าอยากจะอยู่ ก็จะเห็นต้นเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากความอยากอยู่อยากไม่ตายนี่เองแล้วก็จะใช้ปัญญามาหยุดความอยากนี้ต่อไปคือเอาความจริงมาพิจารณาให้เห็นว่าจะอยากอยู่หรืออยากไม่ตายก็ไปห้ามความตายไม่ได้ร่างกายเมื่อถึงเวลามันจะต้องตายมันก็ต้องตายไป แต่ผู้ที่ฉลาดผู้ที่เห็นความจริง<ม>จะไม่ทุกข์กับความตายของร่างกาย<ม>เพราะว่าไม่อยากจะทุกข์นั่นเองไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยาก<ม>หยุดความอยากก็ต้องเห็นความจริงยอมรับความจริงยอมรับความจริงของร่างกายว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยง ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจผู้มาครอบครองร่างกายชั่วคราวจิตใจไม่สามารถที่จะไปสั่งไปห้ามไม่ให้ร่างกายแก่ไม่ให้ร่างกายเจ็บไม่ให้ร่างกายตายได้แต่จิตใจไม่ต้องทุกกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายได้ถ้า รู้ความจริงว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเองคืออยู่เฉยๆอยู่กับร่างกายไปร่างกายแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้ารักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาเจ็บไปร่างกายจะตายถ้าห้ามได้ก็ห้ามไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาตายไปก็เลยได้บรรลุธรรมกันขึ้นมาเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นที่หนึ่งขึ้นมาพระโสดาบันนี่จะเป็นผู้ที่ ปล่อยวางร่างกายได้พิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาเวทน า, วทนาความรู้สึกความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากร่างกายว่าเป็นเป็นสภาวะธรรมที่ไปควบคุมบังคับไม่ได้เขาจะเจ็บก็ต้องปล่อยเขาเจ็บไปเขาจะหายก็ปล่อยเขาหายไป แต่อย่าไปอยากให้ไม่เจ็บอย่าไปอยากให้หายเพราะถ้าเวลามันไม่หายมันจะทุกทรมานใจนี่คือตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมต้องมีความทุกข์ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดงั้นการอยู่ของพระในสมัยพุทธกาลนี้ ยึงอยู่ตามที่มีค่อนข้างมีความทุกข์ยากลำบากเพราะความทุกข์ยากลำบากนี่เป็นเหมือนหินรับสติปัญญานั่นเองทำให้เกิดสติปัญญาที่เป็นเครื่องมือที่จะมาทำลายกิเลสตัณหาที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจถ้าอยู่ที่สุขที่สบายมันก็เหมือนกับไม่มีที่ ไม่มีเห็นนับสติปัญญาสติปัญญาก็จะทื่อฟันกิเลสฆ่ากิเลสไม่ได้กลับกลายเป็นธาตุของกิเลสไปถูกกิเลสครอบงาไปแต่ที่ไหนที่มีความทุกข์ยากลำบากที่นั่นจำเป็นจะต้องสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาถึงจะอยู่ในที่ทุกข์ยากลำบากได้ ความเจริญของพระพุทธศาสนาในยุคแรกๆจึงเจริญที่ธรรมะไม่ได้เจริญที่ถาวรวัตถุเหมือนในยุคปัจจุบันในยุคปัจจุบันนี้เรากับเป็นตรงกันข้ามกับยุคสมัยพุทธกาลมีความเจริญทางถาวรวัตถุมีวัดวาอารา ม, มากมาย มีที่อยู่อาศัยที่สุขที่สบายแต่มีผู้บรรลุธรรมไม่มากแทบจะไม่มีเลยถ้าอยู่ในที่เหล่านั้นถ้าไปค้นหาพระที่อยู่ตามวัดวาอารามที่มีฐาวรระวัตถุพร้อมที่มีความสุขความสบายทางร่างกายจะคนไม่พบพระอริยบุคคล ถ้าอยากจะพบกับพระอริยบุคคลนี้มักจะต้องไปหาตามป่าตามเขาพระที่อยู่ในที่สงบสงัดวิเวกพระที่อยู่กับความทุกข์ยากลําบากเพราะสถานที่แบบนั้นเป็นสถานที่ผลิตพระอริยบุคคลนั่นเองนี่คือสิ่งที่พวกเรา จะไม่รู้กันถ้าเราไม่ศึกษาเราจะหลงคิดว่าต้องมีสถานที่สวยงามมีวัดวาอารามสวยงามมีกุฏิที่อยู่อาศัยสวยงามแล้วจะทำให้ผู้ที่อยู่ในสถานที่นั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นจะบรรลุมรรคผลนิพพาน เพื่อที่จะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์ให้กับพวกเราแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นความเป็นจริงต้องดูแบบพระพุทธเจ้าดูแบบสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลนี้วัดวามีไม่มากคือฐาวรรวัตถุมีไม่มากมีบ้างก็เกิดจากศรัทธาของ ญาติโยมสร้างถวายแต่พระสมัยก่อนไม่มีหน้าที่ที่จะมาคอยสร้างถาวรวัตถุต่างๆไม่มีหน้าที่มาเรียอะไรเงินทองจากญาติโยมให้มาสร้างถาวรวัตถุเช่นโบสถ์เจดีย์วิหารสร้างพระพุทธรูปอย่างนี้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่โตเท่าภูเขา ก็นั่นก็เป็นเพียงพระพุทธรูปไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะศึกษาจากพระพุทธรูปได้ไม่ไม่สามารถที่จะบรรลุธรรมจากพระพุทธรูปได้พระพุทธรูปเป็นเพียงสัญลักษณ์ของผู้ที่บรรลุธรรมคือพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปนี้มีไว้สำหรับให้พวกที่ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าให ไปค้นคว้าศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าของพวกเราท่านอยู่แบบไหนท่านท่านปฏิบัติแบบไหนท่านถึงได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาแล้วจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวัดอยู่นะพระพุทธเจ้าเวลาบำเพ็ญปฏิบัตินี่อยู่ตามโคนม้อยู่ตามป่าตามเขา อันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธรูปมีไว้สำหรับให้เราเป็นคติเตือนใจให้เราระลึกถึงชีวประวัติของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครถึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะได้เห็นแนวทางของการบำเพ็ญของการ บรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้เป็นแบบฉบับสำหรับผู้ที่สนใจผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายจะได้เอาแบบฉบับของพระพุทธเจ้ามาเป็นตัวอย่างมาจเจริญลอยตามพระบาทของพระพุทธเจ้า อันนี้คือความหมายของการมีพระพุทธรูปแต่สมัยนี้กลับไปคิดว่าการมีพระพุทธรูปจะทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนาจะทำให้แข้วแกร่าปลอดภัยจากภัยอันตรายต่างๆมีการเอาพระมาห้อยกัน ติดตัวกันไปไหนมาไหนเพราะคิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะคุ้มครองปกป้องรักษาชีวิตให้แคล้วคลาดปลอดภัยแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกอนที่ห้อยพระหรือไม่ให้พระถึงเวลาตายก็ตายเหมือนกันถึงเวลาแก่เวลาเจ็บก็แก่เหมือนกันเจ็บเหมือนกัน พระพุทธรูกนี้ไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงของชีวิตร่างกายของของพวกเราสิ่งที่จะมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเรานั้นคือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าจะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกภายในใจของพวกเราถ้ามีพระธรรมคําสอนอยู่ในใจ ใจของเรานี้จะอยู่แบบไม่มีความทุกข์ใจถ้ามีพระพุทธรูปห้อยคอยอยู่ใจก็ยังทุกข์อยู่พระพุทธรูปไม่สามารถมาดับความทุกข์ใจต่างๆได้สิ่งที่จะมาดับความทุกข์ใจได้คือพระธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าที่เราจะต้องศึกษาและปฏิบัติ ถึงจะเกิดพระธรรมขึ้นมาภายในใจพระธรรมนี้เป็นเหมือนกับยารักษาโรคใจเหมือนกับยาที่รักษาร่างกายเวลาร่างกายไม่สบายถ้าเราอยากให้ร่างกายหายจากอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรับประทานยาถ้าไม่รับประทานยา ยาจะวิเศษขนาดไหนก็ไม่สามารถทาหน้าที่รักษาร่างกายได้เช่นยาที่ตั้งอยู่ในบ้านตั้งอยู่ในร้านอยู่โรงพยาบาลถ้ามียาวิเศษแต่ไม่กินยายาก็ไม่สามารถที่จะมารักษาร่างกายให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เช่นกันถ้าไม่เอาธรรมะมาศึกษามาปฏิบัต ก็เหมือนกับไม่ได้เอาธรรมะเข้ามาสู่ใจเหมือนกับไม่ได้รับประทานยาทางร่างกายธรรมะที่อันวิเศษที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันตอนนี้ยังเป็นธรรมะที่อยู่ข้างนอกใจอยู่ยังไม่สามารถที่จะเอาไปดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ธรรมะนี้จะ ทำหน้าที่ได้ก็ต่อเมื่อเราศึกษาแล้วก็ปฏิบัติเมื่อเราได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วธรรมะก็จะเข้าไปสู่ในใจจะไปทำหน้าที่ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนา ความสำคัญของพระพุทธศาสนานี่อยู่ที่ธรรมะอยู่ที่คําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่การนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาสู่ในใจของผู้ปฏิบัตินะถ้ายังอยู่ข้างนอกอยู่ก็ยังไม่สามารถที่จะปกป้องคุ้มครองรักษาใจของผู้ปฏิบัติ ให้แค้งแกรปลอดภัยจากความทุกข์ต่างๆได้แต่ถ้าได้นำเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติแล้วธรรมะก็จะทำหน้าที่เป็นที่พึ่งของใจทันทีจะปกป้องคุ้งครองรักษาใจไม่ให้ทุกข์กับการแก่การเจ็บการตาย ะจะปกป้องไม่ให้ใจต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป <Yeah. S 1> นี่แนหะคือเนื้อของศาสนา <Yeah. S 2> ส่วนทาวและวัตถุต่างๆนี้เรียกว่าเป็นเปลือกของศาสนาสมัยพุทธกาลนี้เปลือกของศาสนานี้บางมากมีน้อยมากทาวและวัตถุต่างๆมีน้อยมากแต่เนื้อของศาสนานี้มีมาก คิดดูถ้าซื้อผลไม้มามีเปลือกบางกับเนื้อหนากับผลไม้ที่มีเปลือกหนาแต่เนื้อน้อยเนื้อบางเราจะเลือกเอาแบบไหนเรากินผลไม้เรากินเปลือกแล้วเรากินเนื้อของผลไม้ศาสนาก็เป็นเหมือนกันศาสนาของพวกเราในยุคปัจจุบันนี้มันได้กลายพันุ์ไปแล้วจากพันธุ์เดิม พันเดิมที่มีผิวบางมีเนื้อหนามากลายเป็นเป็นเนื้อเนื้อบางมีผิวหนายินไม่ค่อยมีเนื้อบางทีแทบจะไม่มีเนื้อเลยมีแต่เปลือกไปตามวัดวารามต่างๆนี้จะเต็มไปด้วยเปลือกของศาสนามีถาวารวัตถุมากมายเต็มวัดไปหมดมีกุฏิมีศาลามีโบสถ์มีเจดีย์ แต่ไม่มีเนื้อคือไม่มธรรีธรรมะที่อยู่ในใจของผู้ปฏิบัติเลยอันนี้เป็นความจริงที่พวกเราควรที่จ ะ, ะพิจารณากันแล้วเพื่อที่เราจะได้มาปรับปรุงแก้ไขพัฒน า, าศาสนาของเราให้กัดไปเหมือนในยุคพระพุทธกาลกัน คือให้กลายเป็นผลไม้ที่มีเปลือกบางมีเนื้อหนาคือให้าศาสนาที่มีถาวนวัตถุน้อยแต่มีผู้บรรลุ ธ, ธรรมมากเพราะการบรรลุ ธ, ธรรมนี่แหละเป็นเนื้อของาศาสนาผู้ที่ได้มาบรรลุ ธ, ธรรมก็เป็นเหมือนผู้ที่ได้กินเนื้อของาศาสนาได้ความอิ่มน้ำสําราญใจ ได้ความสุขใจได้ความหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆอันนี้อยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนศึกษาแล้วนำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วก็จะเกิดการบรรลุผลขึ้นมาเป็นขั้นๆไป เ, เมื่อได้บรรลุแล้วก็สามารถที่จะนำเอา ความรู้ที่ได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกต่อต่อไปศาสนาก็จะมีผู้บรรลุธรรมเป็นจำนวนมากท้าวแลวัตถุก็จะมีไม่มากเพราะผู้ที่ใฝ่ธรรมจริงๆแล้วจะไม่สนใจกับเรื่องถาวและวัตถุเพราะว่าถาวแลวัตถุมักจะอยู่ในที่ที่เจริญ ในที่ที่มีแสงสีเสียงมากมีรูปเสียงกลิ่นลดผลทพภาพมากเป็นที่ที่เป็นอุปสรรคต่อการเจริญต่อการปฏิบัติธรรมผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในธรรมจึงต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากความเจริญเหล่านี้ความเจริญทางวัตถุนี้จะเป็นอุปสรรค ความกัน้นการเจริญทางธรรมผู้ที่ต้องการความเจริญทางธรรมจึงต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากความเจริญทางทางด้านวัตถุไปอยู่ตามป่าตามเขาถ้าเราพวกเราอยากจะสร้างวัดกันไปสร้างวัดป่าวัดเขากันดีกว่าไปซื้อที่แล้วก็ถ้าไม่มีต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้กัน ทำให้ที่เป็นที่สงบอย่างวัดยา น, นี้เมื่อก่อนก็เป็นที่ก็เป็นไล่มันสำปะหลังแล้วก็มีเศรษฐีเจ้าของที่มีความปรารถนาที่อยากจะสร้างวัดป่าขึ้นมาก็เลยบริจาคที่ให้กับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชให้ช่วยมาสร้าง วัดให้เป็นวัดป่าพอพระองค์ได้ทรงรับที่แล้วก็เริ่มมีการปลูกต้นไม้กันขึ้นมาเป็นจำนวนมากมีโอกาสเมื่อไหร่พระองค์ก็ทรงมาปลูกต้นไม้เชิญชวนจัทธา ญ, ญาตโยมมาปลูกต้นไม้กันเพราะว่าต้นไม้จะเป็นที่ร่มเย็นแล้วก็เป็นที่ที่จะ ให้ความสงบต่อผู้ปฏิบัติสมัยก่อนตอนที่วัดยานบุกเบิกยังไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยปัจจุบันนี้มีถนนเส้นเล็กๆที่เป็นลุกลังเป็นดินบางทีรถเก๋งนี้เข้ามาไม่ได้เพราะอาจจะตกลุมติดติดดมบางเวลาฝนตกเดินเหนียว ต้องใช้รถแบบรถจีบรถโฟร์วีถึงจะเข้ามาได้แต่ต่อมาก็ต้มีการพัฒนามีถนนหนทางเข้ามาจนเป็นแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้แต่ภายในวัดก็ยังรักษาความสงบของของวัดป่าอยู่ไม่มีการสร้างถาวรลวัตถุมากจนเกินไป สร้างพอประมาณสร้างพอต่อความต้องการเน้นในการศึกษาในการปฏิบัตินด้อย่างมีที่บนเขานี้เป็นที่เป็นที่เสริมในการปฏิบัติผู้ที่อยากจะต้องการที่สงบวิเวกมากๆก็ขึ้นมาอยู่บนเขานี้กัน เพราะบนเขานี้จะอยู่แบบธรรมชาติจริงๆไม่มีน้ําไฟไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ําประปาน้ํานี่ก็ต้องอาศัยรองน้ําฝนใส่ถังเอาใช้ไปตามมีตามเกิดส่วนห้องน้ําที่รองรับญาติโยมนี้ก็มีถังเก็บน้ําใช้รถบรรทุกน้ําบรรทุกน้ําขึ้นมาใส่ไว้ ถ้าไม่รู้ก็จะคิดว่าเป็นน้ำป่ า, ปาความจริงมันเป็นท่อน้ำที่ต่อมาจากแทงน้ำอีกทีหนึ่งเพื่อให้ใช้ได้อย่างสะดวกหน่อยแต่ตามกุติของพระก็จะเป็นมีแทงน้ำไว้สำหรับรองน้ำฝนไฟฟ้าก็ไม่มีอยู่กันแบบนี้มันสงบสบายไม่วุ่นวาย ถ้าอยู่ที่ไหนที่มีไฟฟ้ามีความสะดวกสบายมันก็มีสิ่งล่อตาล่อใจเข้ามาลบกวนใจได้ถ้ามีไฟฟ้าเดี๋ยวก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีพัดลมมีทีวีมีอะไรต่างๆเข้ามาซึ่ง เ, เหมาะกับเพศของคาลวะมากกว่าคาลวะนี้ต้องอาศัยสิ่งสะดวกสบายอำนวยความสุข เพราะา ร, า, ารวไม่รู้จักเรื่องของการปฏิบัติธรรมไม่รู้จักเรื่องของความสงบว่ามีความวิเศษกว่าความสุขที่ได้สัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายค า, า, ารวาก็เลยจะเน้นไปในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมีเครื่องบันเทิงต่างๆมีเครื่องอำนวยความสุขทางร่างกาย มีมีตู้เย็นมีพัดลมมีเครื่องปรับอากาศมีโทรทัศน์มีภา พ, พยนตร์มีเสียงเพลงให้ฟังกันอันนี้เป็นความสุขของผู้ครองเรือนของคาลาวาสแต่เป็นความสุขที่ไม่สามารถมาดับความทุกข์ในยามที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายได้ ผู้ที่ต้องการที่จะมีธรรมะดับความทุกข์เวลาที่เกิดความแก่ความเจ็บความตายจึงต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งอยู่อีกแบบหนึ่งอยู่ในที่ที่ห่างไกลจากการหาความสุขทางตาหูจมูกนินก้นกายเพราะถ้าอยู่ใกล้ก็จะอดทำไม่ได้เพราะ เป็นของที่เคยชอบเคยติดมาเป็นเวลาอันยาวนานถ้าอยู่ใกล้กับแสงสีเสียงอยู่ใกล้กับรูปเสียงกลิ่นนสดก็จะถูกความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนสดต่างๆนี้ดูดเข้าไปทำให้ไม่สามารถที่จะไปบําเพ็ญไปปฏิบัติธรรมได้ผู้ที่ต้องการปฏิบัติธรรมจึงต้องปีกวิเวก จึงต้องหนีไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามป่าตามเขาที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาคอยล่อมาคอยดึงดูดใจไปใจจะได้เข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อความสงบต่อไปได้เพราะความสงบนี้แหละเป็นที่พึ่งของใจอย่างแท้จริงถ้าใจสงบแล้วใจจะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับ เหตุการณ์ต่างๆไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนีเป็นเรื่องของการปฏิบัติการปฏิบัติจะได้ผลจะต้องไปอยู่ในที่ที่สงบสงัดวิเวกและก่อนที่จะปฏิบัติก็ต้องศึกษาก่อนศึกษาให้รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรอย่างไร ถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะปฏิบัติไม่ถูกปฏิบัติแบบผิดผิดถูกๆก็จะไม่ได้ผลต้องศึกษาเวลาการศึกษาก็ต้องศึกษากับผู้ที่รู้จริงเห็นจริงถึงจะได้ความรู้ที่ถูกต้องถ้าไปศึกษากับผู้ที่ไม่รู้จริงเห็นจริงก็จะได้ความรู้ที่ผิดจะไม่สามารถนำเอาไปปฏิบัติ ให้เกิดผลได้ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่ไปอยู่ตามป่าตามเขาผู้ที่ต้องการที่จะไปศึกษาไปปฏิบัติจึงมักจะต้องไปหาผู้ที่ผู้ที่รู้จริงเห็นจริงผู้ที่บรรลุธรรมแล้วซึ่งท่านเหล่านั้นก็มักจะอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามวัดป่าวัดเขากันท่านก็ไป ต้องมุ่งไปหาคูบาอาจารย์ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ไปศึกษาวิธีการปฏิบัติของวิธีการปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปทรรมที่จะต้องปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญานี่เองศีลก็ต้องเป็นศีลของระดับศีลแปดขึ้นไป สมาธิก็ต้องเป็นสมาธิระดับอัปปนาอืจิตตั้งรวมเป็นฌานขึ้นมาปัญญาก็ต้องพิจารณาเห็นไตรลักษณ์อยู่ตลอดเวลาเห็นอริยาศาศาสัจสี่ตลอดเวลาถึงจะสามารถหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่กิเลสตัณหาผลิตขึ้นมาได้อันนี้ ต้องศึกษาควบคู่ไปกับการปฏิบัติการศึกษานี้ไม่ได้แยกออกจากการปฏิบัติเหมือนในยุคสมัยปัจจุบันนี้สมัยปัจจุบันนี้มีการแยกการศึกษาออกจากการปฏิบัติให้ศึกษาอย่างเดียวไปให้ศึกษานักธรม ร, กธรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกแล้วก็ให้ศึกษาบาลีปเรียน 1, 1ึถึงป ร, ริยนเก้าอันนี้การศึกษาจะจะเน้นไปทางนี้ศึกษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติศึกษาเพื่อเพียงแต่ให้รู้ว่าเป็นอะไรอย่างไรเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เอาไปปฏิบัติกว่าจะเอาไปปฏิบัติมันก็ลืมไปหมดแล้วถ้าเรียนเรียนทั้งหมดสิบปีด้วยกัน เรียนนักธทมตีโทเอกสามปีปรเรียนหนึ่งถึงปรเรีนเก้าอีกเก้าปีเป็นสิบสองปีเรียนจบแต่ไม่ได้เอาไปปฏิบัติเลยพอถึงเวลาจะเอาไปปฏิบัติก็จําไม่ได้แล้วลืมไปแล้วทางปฏิบัตินี้เขาจะเรียนไปปฏิบัติไปไปอยู่กับครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะสอนให้ปฏิบัติศีล คอยรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์สอนให้ฝึกสติให้เจริญสมาธิให้ทำควบคู่กันไปปัญญาก็สอนให้พิจารณาอยู่เนืองๆความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นการ ต่อเนื่องกันทำไปพร้อมๆกันเพราะถ้ามาเรียนหลักธรรมต่างๆมาจดมาจำไว้แล้วพอไปเรียนวิชาอื่นเดี๋ยวสิ่งที่ได้จดจำไว้ก็จะลืมถาการปฏิบัตินี้ถ้าไม่มีการควบคุมบังคับใจใจก็จะไม่ชอบปฏิบัติไม่มีใครชอบรักษาศีลกันไม่มีใครชอบนั่งสมาธิกันไม่มีใครชอบพิจารณา ความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายเช่นความแก่ความเจ็บความตายการพัดพากจากกันเป็นสิ่งที่ใจไม่ชอบถ้าไม่มีการบังคับให้ ป, หปฏิบัติให้ศึกษาให้พิจารณาใจจะไม่ไปในทางนี้ใจจะชอบคิดไปในการหาความสุขจากลาบยศสัระเสริญ จากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอย่างในวงการของพระที่ศึกษานี่ใจก็ยังถูกติเลตดึงให้ไปหาทางราบยศสรรเสริญุขอยู่ยังอยากได้ราบอยู่ยังอยากได้ยศอยู่อยากได้ตำแหน่งต่างๆอยากได้เป็นรองเจ้าอาวาสเป็นเจ้าอาวาสอยากจะเป็นเจ้าคณะอำเภอตาบลจังหวัด อยากจะเป็นอะไรต่างๆเพราะเวลาเป็นเรารู้สึกว่ามีหน้ามีตาเวลาใครถามว่าเป็นอะไรก็บอกเป็นเจ้าคณะนู้นเจ้าคณะนี้หรือถ้าได้รับยศได้เกียรติยศได้พัดยยศก็จะได้บอกว่าได้เป็นพระครูได้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณอันนี้มันจะจะห้ามกิเลสไม่ได้การศึกษาอย่างเดียวนี้ ห้ามความโลภความอยากทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมกูกนิ่นไก่ไม่ได้ถ้าไม่ปฏิบัติควบคู่กันไปเรียนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนแล้วไม่สามารถนำเอามากำจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้แล้วพอเรียนไปนานๆมันก็เลยติดมัน ติดลาบยศสรรเสริญที่ได้จากการลริ่มเรียนเวลาเรียนไปก็มีการให้รางวัลว่าได้ขั้นนี้ก็ตั้งให้เป็นพระระดับนั้นพระระดับนี้ขึ้นมาก็เลยไปติดกับการที่จะคอยเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆใจก็เลยไม่ได้ไปสนใจกับการที่จะมากำจัดความอยากต่างๆเหล่านี้กลับไปส่งเสริมความอยาก นี่คือเรื่องของการศึกษาที่แยกออกจากการปฏิบัติแทนที่จะมากําจัดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆกลับไปส่งเสริมกิเลสตัณหาความโลภความอยากทําให้อยากได้ลาบได้ยศได้สรรเสริญอยากจะให้มีได้ตําแหน่งต่างๆเรียกว่ายศ ดูได้ระดับได้ได้เป็นพระระดับต่างๆอันนี้มันไม่ได้เป็นธรรมมันเป็นกิเลสราบยศสรเสริญนี่เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขเพราะว่าราบยศสัรเสริญนี้เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเกิดก็มีดับได้มีเจริญก็มีเสื่อมได้ หรือเวลาจเจริญแล้วไม่จเจริญต่อไปก็เกิดความทุกข์ได้ไม่ได้เป็นตัวที่จะดับความทุกข์ต่างๆแต่เป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์ให้มีเกิดขึ้นมากขึ้นไปภายในใจดังนั้นขอให้พวกเราเข้าใจอย่าไปหลงกับสภาพของวัดวารามที่มีอยู่ในปัจจุบัน อย่าไปหลงว่าศาสนาพวกเราจะเจริญอยู่ที่ถาวรและวัตถุต่างๆต้องมาช่วยกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างศาลาสร้างอะไรต่างๆให้มันวิจิตพิสดารเพราะคิดว่านี่คือความเจริญของศาสนาความเจริญของศาสนาอยู่ที่การบรรลุธรรม ที่ไหนมีการบรรลุ ธ, ธรรมที่นั่นละ่ะจะมีศาสนาจะเจริญอยู่จะเจริญดูในสมัยพระพุทธกาลเนี่ยก็จากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาบรรลุ ธ, ธรรมเนยจะไม่มีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาเลยต้องมีคนบรรลุธรรมมีพระพุทธเจ้ามาบรรลุ ธ, ธรรมพอบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็มาเผยแผ่ธรรม เอาธรรมะที่พระองค์ทรงได้บรรลุนี่มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจพอผู้ที่สนใจได้ยินได้ฟังก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเพราะเป็นความรู้ที่ไม่เหมือนกับความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจได้เลยต่อให้เป็นความรู้ระดับ ปริญญาเอกก็ตามเรียนจบปริญญาเอกมาก็ยังต้องร้องห่มร้องห้าอยู่ยังต้องเศร้าโศกเสียใจอยู่เพราะว่าความรู้ทางโลกนี้เป็นความรู้แบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดเอาตัวไม่รอดตัวก็คือใจเอาใจไม่รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองมีแต่ความรู้ทางธรรมเพียงอย่างเดียวที่จะสามารถ เอาใจให้รอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้พอผู้ที่มีความทุกข์ใจอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจพอได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ว, ว่าสามารถดับความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้ก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาน้อมนําเอาไปปฏิบัติกันอย่างแข็งคัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เพียงเวลาไม่นานก็สามารถบรรลุธรรมขึ้นมาได้เลยเพราะธรรมนี้ถ้ามีคนสอนที่ถูกต้องและมีคนเรียนที่มีความตั้งใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วธรรมนี้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วบางคนก็สำเร็จภายในเจ็ดวันบางคนก็สำเร็จภายในเจ็ดเดือนบางคนก็สาเร็จภายในเจ็ดปีเป็นอย่างมากนี่คือ ความวิเศษของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ไม่อยู่เหนือวิสัยของของมนุษย์ที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติได้แต่ในสมัยปัจจุบันนี้เรากลับเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าว่าเป็นของสุดเอื้อมเกินกว่าที่พวกเราทั้งหลายจะสามารถอาจเอื้อมหยิบมาครองได้ นั่นก็เพราะว่าไม่มีใครทาเป็นตัวอย่างให้เราเห็นเห็นเจอใครก็ไม่มีใครพูดว่าได้บรรลุทมขั้นนั้นทำขั้นนี้กันมันก็เลยทำให้ทุกคนคิดว่าธทมนี้มันเกินความสามารถของพวกเราเหมาะกับพวกที่อยู่ในสมัยพุทธกาลเหมาะเหมาะกับพวกที่มีพระพุทธเจ้าคอยอบรมสั่งสอนเท่านั้นแต่ความจริงนอกจากพระพุทธเจ้าที่สามารถอบรมสั่งสอนแล้ว ก็มีพระสาวกต่างๆของพระพุทธเจ้าที่สามารถทำหน้าที่ได้เช่นเดียวกันอาจจะไม่ดีเท่ากับพระพุทธเจ้าแต่ก็ยังสามารถที่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้ที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าสามารถบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ปัญหาในยุคปัจจุบันก็คือหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาสั่งสอนนี้ ผู้ที่ได้บรรลุธรรมแล้วแล้วมาสั่งสอนธรรมะนี้มีจํานวนน้อยมีไม่มากมีบ้างแต่ต้องค้นหาถึงจะเจอเพราะท่านเหล่านี้มักจะอยู่ในที่ห่างไกลจากความเจริญห่างไกลจากบ้านเรือนห่างเพราะว่าธรรมที่จะเกิดนี้จะต้องอยู่ในป่าในเขานั่นเองการที่จะอบรมสั่งสอนให้ผู้ที่ศึกษาปฏิบัต ได้หลุดพ้นได้บรรลุ ธ, ธรรมต้องไปสั่งสอนไปปฏิบัติในที่ที่สงบสงัดวิเวกผู้ที่ไม่ได้ขวนขวายคนขวาจะไม่จะไม่รู้ว่า อ, อยู่ที่ไหนกันเพราะสมัยนี้มีจำนวนน้อยต้องสนใจจริงๆต้องศึกษาต้องคอยสอบคอยถามคนนั้นคนนี้ ว่ามีพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ที่ไหนบ้างพระที่สามารถอบรมสั่งสอนผู้ที่มีความปรารถนาที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี้อยู่ที่ไหนถ้าลองสอถามดูก็จะมีคนรู้แล้วก็จะบอกว่าอยู่ที่นั่นบ้างอยู่ที่นี่บ้างขั้นต่อไปก็ต้องไปต้องไปพิสูจน์ด้วยตนเอง เขาเล่าแล้วอาจจะไม่เป็นตามความเป็นจริงก็ได้เขาอาจจะคิดว่าที่นั่นที่นี่เป็นที่สามารถสอนให้บรรลุได้ก็ลองไปดูไปไปศึกษาดูถ้าไปดูแล้วคิดว่าไม่ใช่ก็จะได้เปลี่ยนที่ใหม่ต่อไปอนี่คือเรื่องของการที่ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่จำเป็นที่จะต้อง ศึกษาค้นคว้าหาครูหาอาจารย์หาพระที่เรียกว่าเป็นพระสุปฏิปันโนพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายพระที่ได้บรรลุธรรมแล้วเพราะถ้าไม่ได้เรียนจากพระที่บรรลุธรรมก็จะไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องเมื่อไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องก็จะไม่บรรลุธรรมนั่นเองแต่อย่างน้อยก็ขอให้รู้ไว้ว่าพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้มักจะอยู่ในที่วิเวกที่สงบสงัดที่ห่างไกลจากความเจริญทางแสงสีเสียงห่างไกลความเจริญของถาวรวัตถุต่างๆถ้าไปพบกับพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้ วของท่านนี้จะเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีถาวรละวัตถุมากถาวรละวัตถุก็ไม่ได้หรูหราพอมีแบบพออยู่พอไปก็พออยู่ได้ก็ใช้ได้เพราะท่านไม่ได้เน้นเรื่องถาวรละวัตถุยิ่งกว่าสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกที่เอื้อต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุ ธ, ธรรม อันนี้พูดให้เป็นข้อมูลให้เรามองเห็นว่าศาสนาจริงๆนั้นเป็นอย่างไรเพราะทุกวันนี้ศาสนาเราได้พัฒนาไปคนละทิศคนละทางจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้ท่งสร้า ง, งขึ้นมาสมัยพระพุทธเจ้านี้มีแต่สร้างพระอาหารหันต์กันสร้างพระอริยบุคคลมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจำนวนมาก แต่วัดวาอารามนี้แทบจะไม่ค่อยมีเลยมีก็เป็นแบบที่อยู่อาศัยแบบชั่วคราวอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้าอยู่ตามเรือนร้างต่างๆท่าอยู่กันแบบนั้นถาวรลวัตถุของท่านแบบนั้นท่านไม่ได้ไปไม่ต้องการเสียเวลากับการไปก่อสร้างถาวรลวัตถุต่างๆ พอสร้างมาแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุ ธ, ธรรมท่านเน้นในสถานที่สงบสงัดวิเวกถ้าอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่สงบท่านก็หนีถ้าอยู่ไปนานๆมีคนรู้จักมีคนมามากมาลบกวนมากท่านก็จะหนีเปลี่ยนที่ไปเพราะท่านไม่ต้องการลาบสักการะไม่ต้องการความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกาะ ด้านต้องการความสงบที่จะมาทำลายความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปดังนั้นถ้าพวกเราอยากที่จะให้ศาสนาของพวกเราจเจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ถูกที่ควรแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทามาเราก็ควรที่จะเน้นในการสนับสนุนเรื่องของการศึกษาปฏิบัติรม ในแบบของในแบบของในยุคสมัยพุทธกาลคือสนับสนุนสถานที่ที่สงบสงัดวิเวทถ้ามีกำลังอยากจะสร้างวัดก็สร้างวัดป่ากันไปซื้อที่ถ้ามีต้นไม้ดีอยู่แล้วก็ดีถ้าไม่มีก็ช่วยกันปลูกต้นไม้แล้วก็นิมนต์พระที่สนใจในการปฏิบัติ นิมนต์พระที่เป็นครูบาอาจารย์ที่สามารถอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาให้ท่านได้มาช่วยก่อตั้งขึ้นมาให้มีผู้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันเพราะศาสนาอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่การมีการบรรลุธรรมถ้าไม่มีบรรลุธรรมนี้ก็ศาสนาก็จะต้องเสื่อมหมดไป ธรรมที่เหลือก็เป็นธรรมที่อยู่ภายนอกที่ไม่มีประสิทธิภาพที่จะมาดับความทุกข์ใจต่างๆได้ธรรมต้องเป็นธรรมที่อยู่ภายในใจและการเผยแผ่ธรรมก็ต้องเผยแผ่ธรรมจากใจของผู้ที่มีธรรมถึงจะได้ธรรมแท้ถ้าไปเผยแผ่ธรรมจากธรรมที่อยู่ในหนังสืออยู่ในกระดาษนี่จะไม่ได้เป็นธรรมแท้ถึงแม้จะเป็นธรรมแท้แต่ ผู้ฟังผู้อ่านก็จะไม่เข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถึงจะถูกต้องนอกจากนอกจากอ่านแล้วยังต้องมีผู้รู้จริงเห็นจริงมาคอยควบคุมอีกทีว่าปฏิบัติตามที่ท่านสอนไว้ในหนังสือหรือไม่ในหนังสือเป็นธรรมแท้แต่ผู้ปฏิบัติอาจจะไม่ได้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องถ้าไม่มีคนคอยมา คอยควบคุมคอยดูแลคอยบังคับนี่คือเรื่องของการปฏิบัติการบรรลุธรรมนี้จำเป็นจะต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ธรรมจริงๆมาคอยควบคุมคอยดูแลมาคอยสั่งสอนเพราะถ้าสั่งสอนแล้วไม่ควบคุมดูแลเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็ชอบทะเลาะทะลออกนอกลกูนอกทางไปโดยไม่รู้สึกตัว เพราะว่าถูกความหลงหลอกว่านี่ก็เป็นการกระทาที่ถูกต้องแต่ผู้ที่ได้ผ่านการปฏิบัติมาแล้วจะรู้ว่าการปฏิบัติแบบไหนถูกหรือไม่ถูกเวลาเห็นลูกศิษย์ปฏิบัติไม่ถูกก็จะได้ว่ากล่าวตักเตือนได้ลูกศิษย์ถ้าไม่มีใครบอกก็จะไม่รู้เหมือนเด็กเด็กก็มักจะไม่รู้อะไรผิดอะไรถูก ต้องมีผู้ใหญ่คอยบอกคอยเตือนอยู่เลยเด็กถ้าปล่อยให้เด็กทำตามใจชอบเด็กจะไม่ไปโรงเรียนกันแต่ที่เด็กไปโรงเรียนกันทุกวันได้ก็เพราะว่าพ่อแม่คอยบังคับให้ไปถึงแม้จะร้องห่มร้องไห้ก็ต้องใจแข็งต้องบังคับให้ไปโรงเรียนเพราะรู้ว่าถ้าไม่ไปแล้วต่อไปจะไม่ไปเรียนแล้วจะไม่มีความรู้โตขึ้นก็จะช่วยตัวเองไม่ได้ นี่ก็คือเรื่องราวของศาสนาที่อยากจะมาฝากให้ท่านได้เอาไปคิดกันว่าเรามีทั้งเปลือกมีทั้งเนื้อศาสนาทุกวันนี้เราไปนิยมสร้างเปลือกกันมากสร้างถาวรวัตถุ ก, กันลืมไปสร้างเนื้อของศาสนาเนื้อของศาสนาก็คือธรรมะที่จะเกิดขึ้นจากการศึกษาโดยจากการปฏิบัติ เกิดจากการบรรลุธรรมและเกิดจากการเผยแผ่ธรรมถ้าเราอยากได้ศาสนาเราเป็นศาสนาที่มีเนื้อที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้ามาเคารพนับถือเราต้องเน้นการสร้างเนื้อของศาสนามาช่วยการสร้างการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุการเผยแผ่ธรรมด้วยการมา หาสถานที่สงบสงัดวิเวกเป็นที่ตั้งของของวัดวาอารามไม่จําเป็นจะต้องสร้างถาวรวัตถุ ก, กันมากมายกายกองเหมือนอย่างที่ทํากันตอนนี้มาช่วยกันสนับสนุนหาที่สงบสงัดวิเวกให้ผู้ที่สนใจศึกษาปฏิบัติได้ศึกษาปฏิบัติได้บรรลุธรรมกัน พราะเมื่อมีการบรรลุธรรมแล้วก็จะมีการเผยแผ่ธรรมกันอย่างถูกต้องเมื่อมีการเผยแผ่อย่างถูกต้องก็จะมีการศึกษาการปฏิบัติมากขึ้นไปตามลําดับพระพุทธศาสนาก็จะกลับมารุ่งเรืองเหมือนสมัยในสมัยพระพุทธการต่อไปมีผู้บรรลุธรรมกันเป็นจํานวนมากนี่คือเรื่องของาศาสนาของวันนี้และของอดีต ที่ให้พวกเราได้มาพิจารณาเปรียบเทียบกันดูและนำเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวารวาหาปุราาริปุเรนติสารลง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติยิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจจโตสัพเพโปเรนโตสังกปาจันโทปนะอาราโสยะธาเมณิโชติอราโสยะธาสัพพิตโยวิวาจจันโต สัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีติขายุโกภวาอภิวาทนศีลิสะนิจังวุทฒาปจายโนยตตารุธรรมวทานติอายุวันโอสุขางภลา วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ครับผมวันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาทั้งหมดสองร้อยหกสิบสองคน y o u ู u หนึ่งร้อยห้าสิบห้าคนวิทยุออนไลน์สิบเก้าคนพูดและฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบสามคนรวมทั้งหมดห้าร้อยสี่สิบเก้าคนครับผมวันนี้ต่ำกว่าหกร้อยีเรียนตรงนี้ไป <c oughs> ใครอยากจะถามคำถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ ถ้าไม่อยากถามเองก็เขยนใส่กระดาษเข้าม า, าทางบ้านมีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากทางเฟซบ o o k ค่ะจากคุณวิลาลัยการเห็นธรรมในทางพระพุทธศาสนาคืออะไรคะเห็นว่าทุกเกิดจากาความอยากเห็นวิธีดับทุกเกิดจากการหยุดความอยากเห็นว่าสิ่งที่อยากได้มันเป็นทุกข์ มันก็จะไม่อยากได้พอไม่อยากได้มันก็หายทุกที่มันทุกเพราะมันคิดว่าได้มาแล้วจะสุขแต่พอเห็นด้วยปัญญาว่าได้มาแล้วจะทุกก็จะไม่อยากได้ก็จะหายทุกคําถามจากคุณรักษัค่ะกราบนรำมการพระอาจารย์การนับถือเครื่องรางของขังและคุณใส เหตุใดจึงมีส่วนทําให้ศาสนาศา ส, สนาพุทธเสื่อมขอรับจากฝรั่งเศสครับ อ, อ๋อก็เพราะว่ามันไม่ได้เป็นของจริงนะมันเป็นของปลอมมันไม่เป็นประโยชน์เหมือนกับ ก, กินยาปลอมพอกินยาปลอมมันไม่หายคนก็เลยเสื่อมไม่อยากจะกินยายี่ห้อนี้อันนี้ก็เหมือนกันคนเราคิดว่า ของพวกนี้้าพวกวัตถุมงคล น, นี้เป็นเครื่องป้องกันภัยได้ก็เลยไปสนใจกับวัตถุมงคลไม่ไปสนใจกับธรรมะคือการศึกษาการปฏิบัติธรรมก็เลยไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็เลยเห็นศาสนาว่าเป็นศาสนาที่ไม่มีประสิทธิภาพอะไร มีวัตถุมงคลก็ช่วยอะไรไม่ได้คนก็เลยเสื่อมไม่เข้าหาศาสนาเข้าเฉพาะพวกที่งมงายเท่านั้นต่อไปศาสนาก็จะหมดไป เ, เพราะว่าไม่ได้เข้าหาของจริงของศาสนาคือธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเข้าหาธรรมะคำสอนแล้วปฏิบัติ จะเห็นคุณค่าของธรรมะว่าเป็นสิ่งที่วิเศษกว่าสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วก็จะทำให้นำเอาไปเผยแผ่บอกคนอื่นต่อได้ทำให้คนอื่นที่ไม่รู้มาเข้าหาความจริงได้เข้าหาของจริงได้แล้วก็จะทำให้มีคนเลื่อมายศรัทธาในศาสนาเพิ่มมากขึ้นไปต่อไปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามคะ่ะ กราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะข้าพเจ้าเพิ่งเริ่มฝึกบริกรรมพุทโธเมื่อบริกรรมพุทโธพุทโธแต่บางครั้งการหายใจไม่ทันกับการบริกรรมพุทโธ ท, ทำให้ช่วงจังหวะการหายใจไม่ทันกันจึงรู้สึกอึดอัดพอจะเลือกวิธีหายใจเข้าพุทหายใจออกโท ร, รู้สึกต้องรีบหายใจออกโธเพราะหายใจไม่ทันจึงทำให้รู้สึกอึดอัด พอจะเลือกนึกถึงคําพุทโธพุทโธก็ธจะมีการกรรําหนดลมหายใจเข้าออกเข้ามาแทรกทุกทีจะแก้ไขอย่างไรดีเจ้าคะก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งไปนี่ยอย่เอาทั้งสองอย่างอย่าพูดเข้าโธออกถ้าจะพูดเข้าโทออกก็ต้องดูลมเป็นหลักลมช้าก็ต้องพุทโธก็ต้องช้าตามลมลมเร็วก็ต้องเร็วตามลมไป ทังที่ดีพยายามเอาอย่างเดียวจะดีกว่าไม่ยุ่งยากดูลมก็ดูอย่างเดียวไปดูลมก็ดูไปอย่าไม่ต้องพุทโธพุทโธดูที่ปลายจมูกดูเหมือนดูทีวีนี่ทํำไมดูได้ดูทีวีไม่ต้องพุทโธไปกํากับใช่ไหมดูหนังไม่ต้องกํากับพุทธโธก็ดูลมแบบไม่ต้องกํากับพุทโธไปดูเฉยๆดูว่ากําลังเข้ากําลังออกแค่นี้เอง หายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้ดูเฉยๆไม่ต้องพุทธโธจะดีกว่าคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณชาตินีโชคดีที่สุดแล้วกราบนรมาสการพระอาจารย์ค่ะขอสอบถามค่ะมีสามข้อค่ะข้อหนึ่งพระธรรมคือความจริงที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติแต่ต้องอาศัยสติปัญญาของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาค้นพบ แล้วนามาเผยแผ่ความจริงแก่พระสาวกและพุทธศาสนิกชนต่อไปถูกไหมคะถูกแล้วล่ะข้ อ, อ2 <c oughs> พระธรรมเป็นความจริงทุกยุคทุกสมัยการบรรลุธรรมคือการเห็นเข้าใจยอมรับความจริงเหล่านั้นในธรรมชาติเป็นลำดับไปจนเข้าใจความจริงของธรรมชาติทั้งหมดแล้วเกิดการปล่อยวางสมมุติทั้งหมดคือการสิ้นกิเลสใช่ไหมคะอ่าใช่ <c oughs> ข้อ3ถ้าหมดพระพุทธศาสนาแล้วพระธรรมคือความจริงก็ยังคงมีอยู่ต่อไป <c oughs> แต่ต้องรอปัญญาจากพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาค้นพบและเผยแผ่ต่อไปปัญญาคนทั่วไปไม่สามารถพบพระธรรมเองได้ถูกไหมคะถูกแล้วคำถามจากคุณต้นวสันร์ค่ะผมขออนุญาตกราบเรียนถามข้อสงสัยการซื้อปลากบหรือในตลาดสด เพื่อนำไปปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันครับเพราะบางท่านกล่าวว่ามันเป็นปลากบเลี้ยงมาก่อนไม่ชินที่จะหากินเองอาจตายได้ก็แล้วแต่เขาผู้รู้เขาจะพูดกันไปก็ถามว่าก่อนจยเป็นปลากบแบบไหนเป็นปลากบแบบเลี้ยงหรือปลากบแบบที่ไม่ได้เลี้ยงก็หาซื้อปลากบที่แบบไม่ได้เลี้ยง แบบที่เขาเพิ่งจับมาใหม่ๆไปจับมาตามแม่น้ำลำคลองนี้ก็เอาซื้อแบบนั้นไปปล่อยเขาก็จะได้กลับไปอยู่ตามธรรมชาติของเขาได้ถ้าเป็นปลากบที่เลี้ยงแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาเลี้ยงต่อก็แล้วกันคำถามจากคุณบีนาค่ะนั่งสมาธิแล้วมีอาการวูบรู้สึกตัวอีกครั้งก็เหมือนอยู่ในที่มืดๆที่หนึ่ง และพุโทโธหายไปพอรู้สึกอย่างนั้นก็เลยกลัวทำให้เกิดอาการคล้ายคนสำลักน้ำและกลับมาพุโทโธอีกแป๊บหนึ่งก็ครบ30นาทีขอวิธีแก้ไขและอาการนี้เรียกว่าอะไรคะก็อาจจะเป็นวูปหลับไปชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ตื่นขึ้นมารู้สึกตัวขึ้นมาใหม่ก็ให้พยายามฝึกสติอย่าให้มันขาดให้มีพุโทโธไปเรื่อย อย่าให้พุโทโธหายจนกว่าจิตมันจะนิ่งสงบแล้วค่อยหยุดพุโทโธต่อไปคำถามจากคุณชาญชัยค่ะผมนั่งสมาธิภาวนาโดยใช้คำบริกรรมพุโทโธตามพระอาจารย์สั่งสอนแต่ละวันแต่ละครั้งสภาวะการกำหนดมันมาต่างกันบางวันกำหนดพุโทโธตามลมหายใจแล้วสงบดีมาอีกวันไม่ค่อยสงบ ลองเปลี่ยนมาบริกรรมเฉยๆบางวันก็กำหนดลงที่หว่างคิ้วโคนจมูกบ้างไม่งั้นจิตมันจะไม่ลงสลับไปสลับไปแต่ไม่เคยหยุดพุทธโธเบาบ้างหนักบ้างแต่ไม่วางคำบริกรรมเรียนถามพระอาจารย์ครับผมควรปฏิบัติยังไงต่อไปครับก็ปฏิบัติให้มันสงบไงก็ทดลองวิธีต่างๆดูว่าวิธีไหนมันสงบก็เอาวิธีนั้นก็แล้วกัน คำถามจากคุณ MG คะ่ะปฏิบัติจนเกิดความสงบมีความสุขและเกิดปิติในการนั่งสมาธิและจะนั่งจนกว่าจะออกจากสมาธิเองมีคนบอกว่าที่ปฏิบัติอยู่นั้นคือฌานสี่และที่ทำอยู่นั้นผิดเขาบอกว่าเวลานั่งสมาธิให้ตั้งนาฬิกาและต้องถอยฌานออกมาไม่ใช่ปล่อยให้สมาธินิ่งอยู่อย่างนั้นเพราะจะทำให้ติดสุข ขอพระอาจารย์แนะแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องค่ะไม่ถูกหรอกที่เขาพูดนะไม่ถูกที่เราทํามาถูกแล้วทำตามที่เราทําไปจิตสงบก็ให้มันสงบไปปล่อยให้มันถอนออกมาเองถ้าอยากจะให้สงบต่อก็ใช้พุโทโธต่อภาวนาต่อทําให้มันสงบบ่อยๆสุขแบบนี้ติดไม่เป็นโทษสุขแบบนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์ติดสุขแบบนี้ได้ะ ที่เขาว่าติดแล้วเป็นทั่วก็เพราะว่ามันทำให้ไม่ไปทางปัญญาต่อแต่ตอนต้นนี้ยังไม่ต้องกังวลทางปัญญาตอนต้นนี้ฝึกทำสมาธิให้คล่องแคล่วให้ชนานาญก่อนเหมือนคนขับรถนะก่อนที่จะไปแข่งกับเขาตัดขัดขับให้มันชำนาญก่อนหัดขับแถวถนนที่ไม่มีรถขับให้มันชำนาญพอชำนาญแล้วทีนี้พร้อมที่จะเข้าแข่งแล้วค่อยออกไปแข่งต่ออีกทีหนึง่ง การฝึกสมาธินี่ก็เป็นการาสร้างฐานสร้างกำลังให้กับใจที่จะออกไปทางปัญญาต่อไปในเบื้องต้นถ้ายังไม่ยังไม่มีฐานของสมาธิที่มั่นคงที่ชำนาญก็พยายามฝึกสมาธิไปบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้เวลาสงบก็ให้มันสงบไปนานๆจนกว่าเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ แล้วเราเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องไปทางปัญญาต่อไปต้องไปวิเคราะห์ไปพิจารณาตายรักอริยัสสัตสีเพื่อที่เวลาเกิดกิเลสขึ้นมาจะได้ระ ง, งับดับกิเลสตัณหาต่างๆได้แต่การติดสุขในสมาธิไม่เป็นโทษแตถ่ถ้าถ้าถึงขั้นที่จะต้องออกทางปัญญาแล้วไม่ออกถึงเรียกว่าเป็นโทษ เพราะว่าจะไม่ไม่ไม่เจริญก้าวหน้ามากกว่าขั้นสมาธิแต่าการอยู่ในสมาธิติดในสมาธิไม่เป็นโทษเป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยเหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่จะเกิดความทุกข์ตามม า, าไม่ต้องกลัวเรื่องติดสมาธิติดสุขในสมาธิเป็นความสุขที่ดีเพียงแต่ว่าต้องอย่าลืมงานที่จะต้องทาขั้นต่อไปคือขั้นปัญญา เมื่อเราพร้อมที่จะออกทางปัญญาเราไม่ไปมันก็จะไม่ก้าวหน้าแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมจะออกไปทางปัญญาไปก็ไม่ก็ไปไม่ได้อยู่ดีถ้าขับรถยังไม่เก่งไม่ชนานาญจะไปแข่งกับเขาก็สู้เขาไม่ได้อยู่ดีเนี่ยต้องขับให้รถชนานาญก่อนให้เก่งก่อนให้หยุดรถให้ทำอะไรควบคุมรถได้ทุกแบบแล้วถึงเวลาค่อยไปแข่งกัน สมาธิก็เป็นสิ่งที่เราต้องชำนาญต้องหยุดจิตให้ได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอเวลาเราไปปฏิบัติทางปัญญาเราจะไปเจอกิเลสเมื่อเจอกิเลสปัญญาก็จะบอกให้ใจหยุดถ้าใจหยุดไม่ได้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรยังต้องหยุดใจให้ได้ก่อนหยุดด้วยสมาธิก่อนคำถามจากทาง YouTube ค่ะจากคุณพิษนุกับนรัสการพระอาจารย์ครับ เรียนถามว่าปัจจุบันมีผู้ที่มาสอนธรรมะกันมากเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าใครนำคำสอนที่ถูกต้องมาสอนก็ต้องศึกษาคำา h อนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าไว้เป็นมาตรฐานก่อนคือศึกษาพระสูตรสำคัญสำคัญเช่นธรรมจักปรปวตนสูตรทิสอนมรรคแปดสติปัฏฐานสูตรที่สอนวิธีบำเพ็ญสติสมาธิปัญญา เลยมงคลระสูรที่สอนเรื่องของของการปฏิบัติในระดับต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นไปถึงระดับสุดท้ายอยู่ในมงคลระสูดถ้าคำสอนไม่ถ้านอกรู้นอกทางจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าสอนไม่ถูกคาถามจากคุณจักสรรคค่ะนมัสการท่านพระอาจารย์ พระพุทธรูปบ้านผมหันหน้าไปทางทิศใต้และตั้งไว้ในที่อันเหมาะสมพอควรจะผิดหรือไม่ครับไม่ผิดไม่ถูกหรอกพระพุทธพระพุทธรูปจะหันหน้าไปทางไหนก็ได้นั้นนะพระพุทธรูปท่านไม่รู้ว่าท่านหันหน้าไปทางไหนหรอกแล้วหันหน้าไปทางไหนก็ไม่ได้ทำให้เราจเจริญหรือเสื่อมแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าเราทาให้มันดูลำเหมาะสม ว่าเราให้ความเคารพเพราะพระพุทธรูปเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองก็ตั้งอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่ดูแล้วไม่อุจจ่าตาไม่ไม่ใช่ไปตั้งอยู่ข้างห้องซ่วมเดี๋ยฝรั่งบางคนก็ไปตั้งไว้ในโถซ่วมเป็นเครื่องประดับไป อ, นอันนี้เป็นพวกที่เขาโง่ไม่รู้ว่าพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าคือใคร เขาก็คิดว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มีรูปร่างหน้าตาแปลกกว่าตุ๊กตาของเขาท่านนี้เขาก็ดีไว้เอาเอาเียรพตะรูปไปบะไปติดตามบ้านเขาเป็นเครื่องประดับไปท่านนีงั้นมันก็เรื่องของพระพรูปนี้ความจริงมันไม่ต้องมีก็ได้มีก็ได้ไม่มีผลแตกต่างอะไรมากนะสิ่งที่ต้องมีคือธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจอันนี้สาคัญ ส่วนพระพุทธรูปจะมีหรือไม่มีไม่ค่อยสําคัญมีพระพุทธรูปก็เพื่อเตือนให้เราเข้าหาธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองถ้ามีแล้วไม่ได้เตือนก็เหมือนกับไม่มีไม่มีประโยชน์อะไรบอแล้วนะงออย่าอย่าหลงกับเรื่องถาวรและวัตถุต่างๆวัตถุมงคลอะไรเป็นวัตถุนี้ไม่ใช่ธรรมนะธรรมนี้ต้องเป็นคําสอน คำสอนที่นำไปสู่การปฏิบัติที่นำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่เป็นของแท้ของจริงส่วนเาวววัตถุต่างๆพระพุทธรูปต่างๆเออันนี้เป็นเพียงแต่เป็นเหมือนกับป้ายบอกว่านี่คือพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนภาพภาพแทนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราละลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราละลึกถึงการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า ให้เราเลิกถึงการหลุดพ้นของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้ทำตามพระพุทธเจ้าเพราะถ้าเราทำตามพระพุทธเจ้าได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ <Yeah. S 1> ไม่มีเข้ามาใช่ไหม <Yeah. S 1> ไม่มีเดี๋ยวพักสักสองสามนาที <Yeah. S 1> ถ้าไม่มีก็อาจจะปิดล้านเร็วหน่อยวันนี้ <laughs> หายไปหมดแล้วเนี่ย <laughs> คนร้อยกว่าคนนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบคน แต่นาเกลับบ้านกันหมดนะ ว, วันนี้เทศไม่ดียังไงกันไม่รู้ทางบ้านถ้าอยากจะถามก็รีบส่งก็มานะเพรางั้เดี๋ยวจะปิดร้านแล้วนะคำถามจากคุณมะเหมี่ยวค่ะการคิดถึงความตายช่วยให้เราทิ้งทางโลกออกปฏิบัติเต็มตัวได้อย่างไรก็จะรู้ว่าอยู่ไปก็เท่านั้นเดี๋ยวตายก็จบ สิ่งต่างๆที่หาในทางโลกหามาแล้วก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรเวลาตายเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแต่ธรรมะนี้ได้เท่าไหร่เอาติดตัวไปได้หมดและธรรมะสําคัญว่าธรรมะคุ้มครองจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกเช่นลาบยศสละเสริญสุขนี่คุ้มครองจิตใจให้พ้นจากความทุกข์ไม่ได้ยิ่พอเราลึกถึงความตายมันก็จะได้บอกว่า เดี๋ยวเราก็ตายแล้ว น, นะตายแล้วเราก็ถ้าไม่มีธรรมะเราก็เราก็ขาดทุนไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยแต่เราปฏิบัติธรรมเราจะได้ทำระดับต่างๆติดตัวไปอาจจะได้ระดับสูงสุดเลยก็ได้ระดับที่ทาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปยังไม่มาเลย<ร>อาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่ผิดนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นบาปค่ะ แล้วทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะเราจะปล่อยวางความรู้สึกว่าเราผิดได้ยังไงคะ่ะก็ก็จะยอมรับว่าผิดเลยแล้วพยายามอย่าทาต่อไปทุกครั้งจะทําอะไรก็ให้คิดให้รอบคอบก่อนทําแล้วทําให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือไม่ถ้าเกิดก็อย่าไปทําต้องฝึกสติต้องหัดคิดก่อนทํานำอย่าทําแบบพูดพลาด พอคิดขึ้นมาก็ทําเลยโดยไม่ยังไม่ได้กั่นกรองยังไม่ได้วิเคราะห์หัดวิเคราะห์ก่อนหัดกั่นกรองก่อนว่าถ้าพูดไปแล้วทําไปแล้วทําให้ใครเขาเดือดร้อนเสียหายหรือเปล่าถ้าเดือดร้อนก็อย่าทําอย่าพูดดีกว่าอยู่เฉยๆไปแล้วถ้าเราเอ่อคิดมาหลายตลบเลยค่ะแต่สุดท้ายแล้วเราตัดสินใจผิดพลาดนะคะแล้วเรารู้สึกผิดกับความการตัดสินใจก็เอความผิดพลาดเป็นบทเรียนไง หรือว่าไม่ผิดก็จะไม่รู้ว่าถูกเป็นยังไงบางทีก็ต้องผิดก่อนจะถูกนี่คือประสบการณ์ของชีวิตคนเราต้องผิดก่อนถึงจะรู้ว่าถูกเป็นยังไงเราต่อไปจะได้ไม่ทำผิดซ้ำซากอีกต่อไปยังไม่ต้องกลัวความผิดทาไปถ้าเราไม่มีเจตนาที่จะทำให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนแต่เนื่องจากการขาดปัญญาของเราแต่ถ้าเราไม่แน่ใจก็อย่าทำก็แล้วกันเฉยๆไป คำถามจากผู้ฝากถามค่ะสติสมาธิในเด็กเริ่มต้นฝึกลูกอย่างไรดีค ะ, ะเด็กอย่าเพิ่งไปสอนเรื่องสติสมาธิอะไรมันเกินวิสัยเด็กเด็กสอนให้รู้จักเชื่อฟังเคารพผู้หลักผู้ใหญ่สอนในเด็กไม่เบียดเบียนผู้อื่นจะดีกว่าอย่าไปทําร้ายผู้อื่นเช่นเด็กบางทีชอบอทําร้ายสัตว์เล็กสัตว์น้อย ก็บอกเขาอย่าไปทำห้ามเขาไว้เรื่องสติสมาธิมันเป็นของที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วเขามีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นจะให้เขามีมากไปกว่านั้นก็ต้องให้เข า, าเรียนหนังสืออันนี้ก็เป็นการฝึกสติสมาธิไปเวลาไปเรียนหนังสือก็ต้องมีสติมีสมาธิถึงจะเรียนรู้เรื่องอันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนของชีวิตไม่ต้องไปอะไรมากนัก นอกจากเวลาโตแล้วมันสติยังไม่ได้เต็มร้อยที่นี่ต้องออกมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติธรรมถึงจะสามารถเพิ่มสติสร้างสมาธิขึ้นมาได้แต่สำหรับเด็กนี่เขายังไม่อยู่ในสภาพที่เขาจะรับสติสมาธิได้พราเขายังไม่รู้คุณค่าของสติสมาธิว่าเป็นอย่างไรฉันปล่อยให้เขาอยู่ตามระดับของเขาไปก่อน เพียงแต่คอยห้ามปรามอย่าให้เขาไปทำบาปแล้วพยายามส่งเสริมให้เขาทำบุญให้เขามีการเสียสละแบ่งปันให้เขามีความเมตตาต่อผู้อื่นก่อนอันนี้เป็นพื้นฐานของการเจริญสติปัญญาต่อไปคำถามจากคุณต้นค่ะพระที่ดูโทรทัศน์อาบัติไหมครับสมัยก่อนไม่มีโทรทัศน์ก็เลยไม่มีข้อห้ามไม่ให้ดูโทรทัศน์ ดูอยู่ที่ว่าดูดูแบบไหนดูข่าวดูการศึกษาดูเพื่อการศึกษาก็ไม่ไม่ผิดอะไรแต่ดูเพื่อการบันเทิงองเงี้ยก็ผิดเนไม่ว่าแต่โทรทัศน์เลยมือถือก็เหมือนกันมือถือก็เหมือนโทรทัศน์เคลื่อนที่ดีๆนี่ก็มีเรื่องให้ดูมีทั้งเรื่องที่เป็นเรื่องวิชาความรู้เรื่องที่เป็นข่าวสารเรื่องที่บั น, บนเทิง ถ้าดูเรื่องวิชาความรู้ข่าวสารก็ดูได้แต่ก็ไม่ควรดูถ้าเป็นพระพระควรจะดูแต่เรื่องธรรมะอย่างเดียวเรื่องทางโลกนี่ไม่ควรไปสนใจแม้แอย่าว่าถึงเรื่องบันเทิงเรื่องบันเทิงนี่ไม่ควรเลยเรื่องข่าวสารทางโลกวิชาความรู้ทางโลกก็ไม่ควรเพราะเสียเวลามาเอาศึกษาวิชาความรู้ทางธรรมจะมีประโยชน์กว่า คำถามจากคุณสุชาดาค่ะหากเรานั่งสมาธิจะปวดเมื่อยขาปวดหลังเหมือนขาเป็นเน็บเราควรทำอย่างไรคะถ้าช่วงที่เรานั่งสมาธิก็อย่าไปสนใจถ้าจิตอยู่กับการภาวนาไปแล้วนั่งกายจะไม่มาลบกวนใจใจจะเข้าสู่ความสงบได้ถ้าไปกังวลกับความเจ็บทางร่างกายใจจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ นั่งสมาธิจะไม่ได้ผลถ้าอยากจะได้ผลจากการนั่งสมาธิต้องไม่ไปสนใจกับอาการเจ็บปวดต่างๆของร่างกายมันเป็นได้เดี๋ยวมันก็หายได้มันไม่เป็นเรื่องที่จะทำให้พิกลพิการหรือให้เกิดความเสียหายหต่อร่างกายแต่อย่างใดถ้าไม่ได้ทำแบบเป็นทำแบบอาจินทําอยู่เรื่อยๆทำแบบเฉพาะช่วงที่เรานั่งีมันเกิดขึ้นเดี๋ยวเดียวเดี๋ย ว, ยวพอลูกจาก ที่นั่งมันก็หายไปไม่ต้องไปกังวลกับมันถ้าไปกังวลแล้วจะไม่ก้าวหน้าทางสมาธิจะติดอยู่ตรงนั้นพอมนเจอความเจ็บก็ถอยออกมาไม่พุ่งต่อไปต้องพุ่งต่อไปต้องผ่านความเจ็บให้ได้ปล่อยความเจ็บไว้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราก็ภาวนาไปแล้วเดี๋ยวจิตเราก็จะได้ผ่านความเจ็บเข้าสู่ความสงบได้ ความเจ็บนี้เป็นเป็นประตูที่ผู้ที่จะต้องการเข้าสู่ความสงบจะต้องผ่านให้ได้ถ้าผ่านความเจ็บไม่ได้จะเข้าสู่ความสงบไม่ได้คำถามจากคุณกันค่ะเวลาเครียดกังวลหลายๆเรื่องในขณะเดียวกันจะพิจารณาอย่างไรให้หายกังวลเพื่อให้จิตเป็นปกติครับก็หยุดทุกเรื่องไปก่อนถ้ามันหลายเรื่องไม่รู้จะเอาเรื่องไหนดีก็ พุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดเกี่ยวกับทุกเรื่องไปก่อนถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวจิตเราก็สงบหายเครียดได้พอหายแล้วเราก็ค่อยเอาเรื่องที่เรเรื่องมาพิจารณาดูแล้วก็พิจารณาด้วยปัญญาถ้ามีปัญญาก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักแล้วก็ปล่อยวางได้คําถามจากคุณแมนค่ะ หากเราไม่มีร่างกายแล้วจะทำอย่างไรให้ใจสงบคะไม่มีร่างกายก็ตายเลยตอนนั้นก็ทำไม่ได้แล้วทำได้ตอนที่ยังมีร่างกายอยู่เวลาตายนี้ก็ถูกบุญกับบาปเป็นผู้พาไปไปรับผลบุญผลบาปต่อไปถ้าเป็นบุญระดับสมาธิมันก็จะสงบของมันเองเช่นแทาเราตอนที่เรามีชีวิตอยู่เราเข้าฌานเข้าสมาธิได้ เวลาตายไปมันก็จะเข้าสมาธิของมันโดยอัตโนมัติมันก็จะไปอยู่บนชั้นสวรรค์พรมโลกยังทำตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตายตายแล้วทำอะไรไม่ได้คำถามจากคุณเอฟค่ะแม่ทิ้งเราไปตั้งแต่เด็กและเรามีความรู้สึกไม่สนิทกับแม่ไม่ค่อยรักแม่เราจะบาปไหมครับไม่บาปหรอกแต่เราสามารถที่จะรักแม่ได้ สนิทกับแม่ได้ถ้าเราเ ล, ลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ที่เลี้ยงเรามาต้องเก้าเดือนในท้องถ้าแม่เราเป็นคนเห็นแก่ตัวอยากจะสบายก็อาจจะรีดเราออกจากท้องไปคิดอย่างนี้แล้วเราจะเห็นบุญคุณของคุณแม่เราเพราะถ้าไม่มีแม่เราเราจะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถึงแม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงเราก็ตามเราก็ต้องยอมเขาจะยอมรับว่าอาจจะมีเหตุสุดวิสัย ที่แม่ไม่สามารถเลี้ยงดูเราได้ไม่มีแม่คนไหนที่ไม่รักลูกหรอกเพียงแต่ว่าบางทีมันเหตุสุดวิสัยตัวเขาเองบางทียังเลี้ยงตัวเขาเองไม่ไหวแล้วยังต้องมาเลี้ยงเราอีกคนเขาก็เลยอาจจะต้องอฝากเราไว้กับคนอื่นเพื่อเขาจะได้เลี้ยงตัวเขาให้รอดก่อนงั้นอย่าไปมองแม่ในแง่ในมุมไม่ดีที่แม่ไม่เลี้ยงเราพยายามนึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องสุดวิสัย ถ้า แ, แม่ไม่รักเราแม่เขารีดเราออกจากท้องตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วไม่ต้องมาให้เกิดให้เสียเวลาเพราะฉะนั้นให้เราเล็กถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่นี้ถึงแม้จะไม่ได้เลี้ยงเราแต่บุญคุณที่คลอดเราเลี้ยงเราในท้องนี้มันก็มาหาศาลถ้าเราคิดอย่างนี้แลเราจะรักแม่เรามากเราจะอยากจะใกล้ชิดกับแม่เพราะเราเคยใกล้ชิดกับแม่มาต้องก้าเดือน ออออ่่ในนท้้งงแมมตเดืคำถามจากคุณสุชาดาค่ะหากเราง่วงมากๆสามารถพุทโธหนึ่งพุทโธสองพุทโธสามไปเรื่อยๆได้ไหมคะได้ถ้าไม่หลับนะถ้าหลับก็ลุกขึ้นมาเดินแล้วพุทโธหนึ่งครอบพุทโธสองครอกเนี่ยคำถามจากคุณจักสันค่ะเวลาลมเบาลงมากๆ มันจะมีภาพนิมิตมาล่อให้ดูผมเลยไม่ดูมันเลยสงบลงได้หลงดูบ่อยคราวนี้เลยไม่ดูอันนี้จะถูกหรือไม่ครับถูกแล้วแหละเราไม่ต้องการอะไรนอกจากความว่างความสงบถ้าไปดูแล้วมันจะไม่ว่างไม่สงบให้ดูลมไปอย่างเดียวอย่าไปตามดูนิมิตต่างๆคำถามจากคุณรัฐค่ะหากมีผู้ปฏิบัติธรรมแต่ใช้วาจาทาร้ายจิตใจผู้อื่น อันนี้บาปใช่ไหมคะก็เป็นบาปทงางวาจาั้างคำถามจากคุณวิค่ะเมื่อสองวันก่อนเคยมีคนถามทำเกี่ยวกับพระอาจารย์ในการปฏิบัติของพระอาจารย์ตอนแรกๆที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราจะสวดมนต์พระอาจารย์สวดมนต์ในใจใช่ไหมเจ้าคะาและนานไหมเจ้าคะก็บทพระสูตรเลสติปัฏฐาน ประมาณ 3.40 ี่สนาทีจำไม่ได้แต่เป็นภาษาแปลไม่ได้สวดบาลีสวดภาษาแปลแปลเป็นภาษาอังกฤษพะสวดไปก็จะได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติด้วยไปในตัวเพราะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนวิธีปฏิบัติจเจริญสติวิธีพิจารนร่างกายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมต่าง คำถามจากคุณสุรีพรค่ะลูกได้ถ่ายชีวิตโคจะได้บุญมากไหมคะก็บุญเท่ากับการเสียสละของเราเสียสละหมื่นหนึ่งไปถ่ายชีวิตโครหรือเสียสละหมื่นหนึ่งไปเลี้ยงเด็กกำพร้าก็ได้บุญเท่ากันเด็กพิการอยู่ที่ปริมาณของเงินที่เราบอยจากเสียสละไปคำถามจากคุณท็อปคุงค่ะ การโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจถือว่าผิดศีลบาปใช่ไหมครับแต่ถ้าพูดความจริงเป็นการทำให้เขาไม่สบายใจแต่เราต้องพูดแบบไม่โกหกเราควรจะวางคำพูดวางใจอย่างไรครับก็อย่าพูดเท่านั้นเองเมื่อพูดแล้วมันเกิดโทษไม่กับเขาก็กลับเราแล้วก็อย่าไปพูดเรื่องราวกั น, กนพูดเรื่องฝนฟ้าอากาศว่าวันนี้ทำไมฝนมันตกฟ้ามันทำไมน้อง ถ้าาอยากจะพูดนคำถามจากคุณสนิมกินเหล็กค่ะถ้าเราบริกรรมพุดโธแบบถี่ๆจะเป็นการบังคับเกินไปไหมครับก็ไม่แน่บางเวลาถ้าจิตมันดิ้ลมันจิตมันคิดมากบางทีถ้าบริกา ร, รมถี่ๆแล้วมันช่วยทําให้มันหยุดได้ก็ใช้ได้แล้วแต่ความจําเป็นคําถามจากคุณอีเคค่ะการเกิด การตายแล้วเกิดเรียนไหวตายเกิดผีวิญญาณเป็นความจริงหรือความเชื่อเฉพาะจิตของแต่ละบุคคลครับความจริงต่อไปเราก็ต้องไปเป็นผีกันเพราะเราไม่มีร่างกายจิตเราก็เป็นดวงวิญญาณถ้าดวงวิญญาณที่มีบุญก็เป็นเทวดาถ้าดวงวิญญาณมีบาปก็เป็นเปรตเป็นผีกันคำถามจากคุณกิติคะ่ะหากถึงเวลาที่เราตายลง ถ้าเราไม่จัดพิธีทาเลยจะได้ไหมครับเอาแค่ตั้งศพไว้หนึ่งคืนแล้วเผาง่ายๆตามแบบสมัยโบราณอาจจะขัดกับคติทางโลกบ้างคำถามคือจะขัดคติทางธรรมไหมครับไม่ขัดคนระับตายแล้วก็จะเอาไปดองเอาไปผ่าเอาไปกัดเอาไปกินนี่มันมก็ไม่มีความหมายไรแนละ้วร่างกาย อยู่ที่ธรรมเนียมทําตามธรรมเนียมไปคนเขาเราเราสั่งก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่ไ ด, เไได้เราตายไปแล้วเราจะมาจัดงานศพเราได้ไงมันก็อยู่ที่คนเขาจัดเขาเชื่อแบบไหนเขาก็ทําแบบนั้นถ้าเขาเชื่อว่าต้องเก็บร้อยวันเขาก็จะเก็บร้อยวันถ้าเขาเชื่อว่าเก็บแค่คืนเดียวเขาเก็บแค่คืนเดียวยังนั้นเราไม่ต้องไปกังวล น, นะเวลาตายถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราละร่างกายเป็นเรื่องของคนที่อยู่เขาจะทําอะไรต่อไปก็เรื่องของเขา เราทำอะไรไม่ได้คำถามสุดท้ายนะคำถามจากคุณบีนาค่ะบุญคุณจากการคลอดเด็กกับบุญคุณจากการเลี้ยงดูเด็กอันไหนบุญมากกว่ากันคะอ่ามันต้องคลอดก่อนสาคัญกว่าถ้าไม่คลอดจะมีเด็กมาเลี้ยงดูเลยมันก็ต้องมันก็สำคัญทั้งสองส่วนนะเพราะว่าถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งเด็กก็ตายถ้าไม่คลอดก็ไม่ได้เกิด ถ้าคลอดแล้วไม่เลี้ยงก็ตายก็ถือว่าห้าสิบห้าสิบก็แล้วกันคลอยก็ตั้งครรภ์ก็สาคัญเลี้ยงในท้องก็สาคัญออกจากท้องมาก็ต้องมีใครเลี้ยงต่อไปมันก็สาคัญทั้งสองส่วนเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวล า, อาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำวสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ